แล้วก็จะกลับลงมาอีกวันที่แปแต่หลวงพ่อไม่ไหวนะถ้าจขึ้นไปน่าจะกลับลงมาหลวงพ่อก็เลยทะเลถลายมาพักที่สวนเฉลิมธรรมตั้งแต่เมื่อวานนี่จากนั้นก็เป็นอย่างที่โคศกได้พูดให้ฟังฉันที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนะแต่คงจะลงยูคหลายวันข้าวนี่คงจะกลับวันที่สิบสิบเอดนะสบด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 เป็นท่านเ น, น, น้นเรื่องธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นและก็นเน้นธรรมเทศนาของปู่ขาวเน้นธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวเน้นธรรมเทศนาของหลวงปูชาและสีองค์เนี่ยที่ท่านที่ท่านอยากจะให้พิมพ์เป็นธรรมะเผยแผ่แก่พี่น้องประชาชนก็นมีผู้ถามเหมือนกันว่า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 ต่อไปก็เห็นหูตึงต่อไปก็เห็นฟันหลุดต่อไปก็เห็นหนังเหี่ยวต่อไปก็เห็นหลังฟ้องต่อไปได้เห็นไม้เท้าจะเดินไปที่ไหนต้องชักไม้เท้าง้องกันนานกปเลยเพราะในส่วนของเป็นนอนโรงพยาบาลไม่ไหวเอ่นี่แหละเลี้ยงก็เลี้ยงไปถงเถอะเลี้ยงร่างกายบรรทึงถึงคราวหนึ่งถึงจุดจบให้ได้ถึงข่าวตายให้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธาศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเลี้ยงร่างกายเลี้ยงพอประมาณกระพอแ ล, ะละ้วล่ะ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 ถ้าพวกเราตามหนูสิเออติดตามกิเลสทำส่งเสริมกิเลสลาคให้มากๆากที่เออบางทีทําส่งเสริมกิเลสโทสะให้มากๆากที่ทกโกรธแล้วยังไม่จะฆ่าคนจังฟันยังปืนยิงเขาอเอเนี่แหละเออยิ่งทุกลงไปเรื่อยๆเลยเอ่อถ้าเป็นมนุษย์ก็เนี่ยตเข้าคุกเข้าตารางเข้าคุกเมืองอุดรแล้วยังมาแล้วเข้าคุกเมืองกรุงเทพนี่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 ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามแนวแถวทำคำสอนของหลวงตาแล้วนะมีแต่ความเจริญทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของหลวงตาปอกออกทุกวี่ทุกวันในสถานีวิทยุหลวงพ่อมั่นใจว่านะทางที่ถูกต้องลูกหลานควรจะศึกษาน ะ, ะถ้าว่าศึกษาใ น, น, นธรรมเทศนาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอที่หลวงพ่อพิมพ์หนังสือออกไปเนี่ยะเกร็ดไหนมันไม่ลงรอยกับองค์หลวงตา เออมันฝืนกับธรรมเทศนาของหลวงตาแต่ลวกตาพูดอย่างหนึ่งลวงพ่ออินพูดไปอย่างหนึง่งน่หลวงพ่อก็อยากจะรู้อีกเหมือนกันว่าตรงไหนเออให้ลูกหลานตรวจตราดูเออถ้าว่าตัวตาคือหลวงพ่อจ ะ, จะจะต้องทําความเข้าใจใจุดนี้มันเป็นยังไงเออหลวงพ่อก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอีกเหมือนกันตรงพ่อมั่นใจว่าธรรมเทศนาของหลวงตาเป็นธรรมเทศนาที่